i n t n a l t o ตระวางแผนสั้นตัวุตตูสัพพะโรยินญาจาระพารััยินโตสัพพสันตาภวิตตูสังเวรมกันตอินตจุังภวัเสังัเนะสเนาันเมตตาเะเปยมรันตอร สัตตะเวสันติสุตตาิการเอนรันตอโรคยนสุขนจสมิงทาาเสันติเทวามติกาเอนรกันตอโรคยนสุขนจาทิสมิงทาบาเฮสันติา ตณห์โลเกวิจติวิภามุตตัวราตัสัมสมังนตีตัสวันดชัุรตุตมมรังังเนวะ ที่นี่เขพจำพรรษา <c oughs> นับ้ <c oughs> แต่บาดาลออมไปจนถึงหวงัวท่าไปจนถึงรอบภูไปถึ ง, งที่ตรงหินดานสมมติว่าภูจากรนี่แบ่งครึ่งกันตับวัดน้อยคนละครึ่งตัดตรงไปทางทิศตะวันตกเลยที่นี่ตอน ตอนบาดาลไปทางวัดท่านเฮียงก็ไปจนถึงครึ่งภูแล้วก็แบ่งกันที่นั้นเรียกว่าเขตวัดเนี่ยแบ่งกันที่นั้นตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเลยจอมภูเขาเลยหลังภูเขาแหลมๆนั่นเลยแบ่งครึ่งกันตัดตรงไปทางทิศตะวันตกตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเลยทีนี้ผู้ใด ผู้ใดอย่าไปอย่าไปให้ให้มันแจ้งการให้มันสว่างการให้เข้ามาให้มันทันพรรษาจึงไม่ขาดบุคคลผู้ทาพรรษาขาดไม่สามารถจะครองกฐินได้โออันนึงเหมือนบอาอันนั้นว่ามันก็พ อ, อใจแล้วพิสัยได้นะถ้าแจ้งทาให้ขาดเป็นอาบัติเจติปาเจตี ถ้าไม่ทำแกล้งให้ขาดก็เป็นอาบัตทุกฏ ก, การจำพรรษาเนี่ยก็รักษาเขตจำพรรษาก็เท่ากับรักษาชีวร อ, อยู่ปัสจาไก่ชีวอก็มีความหมายอันเดียวกันอย่าให้เกินเขตไปทางนั้นอย่าให้มันแจ้งอย่าอย่าให้มันเป็นวันใหม่ใครจะไปที่ไหนก็ให้มันเป็นวันเก่าในเขตนั่นะไม่จำเป็นจะไปอยู่ลุกขมูลตอนกลางคืนพฤรพระเวไนย พระจำพรรษาไม่เป็นหน้าที่จะไปอยู่ลูกมูลต้องมีบานพิษป ร, ประตูพิษเปิดเข้าออกไ ม, ม่พราะอะไยจำกัดไว้แล้วผู้จำพรรษาไม่ทำให้พรรษาขาดมีอาณิสงห์ปรกการที่ออกไปไม่ต้องบอกกลาที่อกไปไม่ต้องถือเอาตราจีวรไปครบสามผืนเก็บอัติเรกกติโกติจีวรในตามป่าธนา กีวานเกิดขึ้นในที่นั่นเป็นของได้แก่พวกเธอทั้งได้ขยายการกีวรนไปจนถึงเพ็นเดือนสิบสองและฉันปรำพระได้รับนนเนมมต์แห่งหนึ่งแล้วไปฉันนน้นเนมมณ์แห่งหนึ่งก็ได้เข้าบ้านไม่ต้องบอกลาตามาเจรักกาวัตถ้าหากว่าได้การกระถินอันนี้สงงอันนี้ก็ต่อไปเอกจนถึงเพ็นเดือนสิบสอง ในเวลาที่จาพรรษาต้องมีข้อวัดประหยัดเข้ากว่าเดิมน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ต้องมีพระเวไนบ้าอย่าทำตามอำเภอเลีดอย่าพากันไปชุมกินน้ำร้อนฉันน้ำร้อนอยู่ตามกุติหรือเป็นกบเป็นเหล่าตั้งรับหลังมันไม่ถูกต้องมาทานพร้อมกันให้ถึงเวลา ถ้าพิษก็บสามก็มาเลยใบาี4ก็มดเวลาแล้วลดเวลาแล้วยังมารบควนเนรไปทำให้กินให้อยู่อยู่มันยาบมากปฏิปทาของครูบาอาจารย์ไม่เคยพาทมต้องเป็นทิศที่มีครูต้องเป็นลูกที่พ่อมีพ่อมีแม่ทีนี้เรื่องส่งของไปวัดต่างๆเอาของสงส่งไป ต้องได้รับอนุญาตจากผมเสียก่อนอย่าทำสุ่ม 4, สีุ่มห้ามันไม่ถูกผมก็เรียกว่าใครอยู่ที่ไหนก็คงจะพอใช่พอสอยแล้วทุกวันนี้อติเรกกระราบมันมีอยู่มากแล้วผิดกันแต่ว่ามีน้อยมีมากเท่านั้นเราพูดอย่างนี้ไม่เหมือนจะก่อนพวกเทวตมีสามสี่องค์อย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่ควรเป็นห่วงให้เขามาเป็นห่วงพวกแปดสิบเก้าสิบนี่สิเราจะเป็นเป็นห่วงเขาทาไม นี่ปัญหาของมันแต่ว่าเมื่อเขามาเยี่ยมมายามเราถึงวัดถึงว่าเราไม่มีอะไรให้เขาบ้างมันก็ไม่ถูกข้อนี่กวก็ควรพิจารณาทีนี้ไฟอยากให้เป็นเรื่องรังเดี๋ยวถ้ามีไฟอยู่ก็พากันรอบมาฉันน้ำรอดอีกตอนเดึกๆค้าๆก็ว่าหลวงปู่ไม่มีตา มีแต่ตานอกตาในหลวงปู่ไม่มีมันก็อยาบกเก่งๆมันก็ไม่ได้หวงหรอกเรื่องอยู่เรื่องกินแต่มันผิดประเพณีของครูบาอาจารย์อันนี้ให้เข้าใจไว้อีกอันหนึ่งยาไปประชุมกันสี่องค์ห้าองค์ในที่มืดมันเป็นสมบัติของนักเลงถ้าจะปรึกษากันในธรรมะธรรมโมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ห้าม ถ้าไปพูดกันรับรั บ, รบเรื่ยๆคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นนอยนอนคุยกันเล่นมันก็ผิดธรรมนียมของพระผู้ปฏิบัติมันเป็นนิสัยของนักเลงคุยคุยกันไม่มีไฟอยู่ที่เรารอบนอนคุยกันเล่นไม่มีประโยชน์มันเป็นนิสัยของนักเลงตัวของผมเนี่ยถูกบุกมาแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเพื่อนได้เย็นมานานแล้ว แต่ว่าเราไม่พูดแต่เมื่อไม่พูดมันก็จะไปอีกอโขเนี่ยทีนี้ถ้าใครทะเลาะกันจนถึงจะกำมัดกำวยใส่กันแล้วจะไล่หนีทั้งสองไม่ให้อยู่เลยจนถึงท้าทายจะชกต่อยกันแล้วจะไล่หนีทั้งสองไม่ให้ไ ม, ไ, มไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจในการไต่สวนใครผิดใครถูกให้ไปฟ้องไปร้องกับ ฝ่ายปกครองพระนักเรียนเช่นท่านพระครูเป็นต้นหรือท่นานเจ้าคุณเป็นต้นถ้าจะเอาแพ้เอาชนะกันถ้าไม่เอาแพ้เอาชนะกันก็จะไล่หนีไม่ให้อยู่ด้วยพระในที่นี่มันเป็นที่ปฏิบัติเพื่อพรนทุกในวัดทาทงสารมิใช่ว่าพวกเราจะมาจําพรรษาเอาปีเอาเดือนเอาวันเอามือ พอได้เปลี่ยนชื่อเสียงไม่ได้หมายความอย่างนั้นอยู่กับหลวงปู่มั่นก็อันเดียวกันอยู่กับหลวงปู่มหาก็อันเดียวกันใครทะเลาะกันไล่ๆ่นี้เลยไม่ให้อยู่บอกว่าเสียเปรียบเพราะไม่ใช่ที่ทะเลาะกันที่ปฏิบัติที่นี่ส่วนาผ่อนท่อนสบายใครขาดใครเขินก็บอกกันเพราะเหตุใดเพราะเพราะเหตุว่า ภิกษุผู้พันเป็ น, านาทานคาคาเรศเขาจัดตั้งไวไง้แล้วกุฏิไหนก็มีกุฏิเรานั่นกุฏิหนึ่งแล้วก็กุฏิของท่านสุ่มอกีกของท่านพระมุขอีอกบ้านแล้วก็ที่หล้าใหม่นี่เองแล้วก็ลังของท่านนีู่่กุฏินี่ขท่านอะไรก่อนนะเออของท่านประเสรเิฐอีก แล้วก็กุฏิของผมอีกมีอะไรก็บอกกันคัดค้องอะไรก็บอกกันชวนใครคัดค้องตอนกลางค่ำกลางคืนเข้าหาผมได้ทุกเมือ่อรับยยกตามปลุกเอานอนโยกตามปลุกเอาภาวนาโยกตามปลุกเอาเพราะมีเหตุจำเป็นด่วนๆแต่ระวังงูอย่าละเมิด ทนี่การอดอาหารถ้าเราอดอาหารมันภาวนาได้ดีก็ต้องอดถ้าเราอดอาหารมันภาวนาไม่ก็ไม่ต้องอดเพราะทำอะไรให้มีเหตุมีผลเบหนึ่งต้นนอนตื่นสายแล้วแล้วก็อดอาหารทำท่าอดอาหารเพราะไปไม่ทันหมู่อันนั้นมันก็เป็นมุสาเน่ะมันไม่ถูกเรานอน ขนาดไหนมันจึงภาวนาดีเราเดินขนาดไหนภาวนาดีเรานั่งขนาดไหนภาวนาดีก็ของใครของมันให้สาเร็จเอาการปฏิบัติไม่ให้ผิดมันก็มีอยู่สามอย่างพระนักกาปฏิปทาสูตรคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทรีย์สังวรสํารวมอินทรีย์หกคือระวังตาหูจมูกกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้าย ในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องผลพระด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจสองโภชเนมะตัญยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยนักยังอีกสีห้าคำแล้วก็อิ่มซะแล้วจึงไปดื่มน้ำอันนี้เรียกว่าพอดีสีสามชาคนียานิโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจของตนให้หมดจด ไม่เห็นแก่หลับมากนักหลับวันนึงคืนหนึ่งประมาณสี่ชั่วโมงก็พอแล้วรวมบวกบออกลับเหลือวตอนนั้นก็ทําความเรียนจะยืนเดินนั่งนอนรับตื่นก็แล้วแต่จะยืนเดินนั่งนอนตื่นก็แล้วแ ต, นน ต, แวแต่ส่วนรับก็ให้แล้วไปสักใครเคยภาวนาอะไรก็ต้องภาวนานั้นถ้าไม่ยังนั้นมันจะไม่มีเครื่องอยู่ที่มาฉันน้าร้อนน้ำชานั้นก็รีบมามาฉันให้มันพร้อมๆอมกัน คนหนึ่งมาคนหนึ่งไม่มาสามเณรร้รองเรียบใช่อยู่ตลอดคืนมันก็ไม่ถูกันนั้นปฏิบัติแบบบ้าๆ น, นั่นให้มาพร้อมกันนาฬิกามีอยู่ทุกคนแล้วใครไม่มีก็บอกมาจะได้ซื้อให้การศึกษาธรรมะธรรมโอกันก็ให้มีผู้น้อยผู้ใหญ่ว่าก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้หวังว่าจะให้มาถามแต่คนเดียวดอกการศึกษาธรรมะธรรมโอกันก็ดี อยู่กำลังหลวงปู่มัน่นอยู่กำลังหลวงปู่มหาบูพูดกันทุบๆ ท, ที่ ท, ที่ไหนก็มีแต่ถามเรื่องธรรมะไม่ได้ปารบเรื่องกินเรื่องขี้เรื่องใช่เรื่องสอยอยู่กำลังหลวงปู่มัน่นวินัยคัดเค่งผ้าชีวันพื้นนี้ก็ผมอยากได้ไม่มีเลยคลรูบาอาจารย์ไม่มีตาไม่มหูเราก็จะเปื่อยกายไปบินบาะ ผู้ใดทำอย่างนั้นเนียกวาเด็ดเดี่ยวเป็นที่เคารพนับถือในสังคมของหลวงปู่มัน่นครูบาอาจารย์ไม่มีหูมีตากูก็จะเปื่อยกายไปวินทบาทไม่ได้กระเสือกกระสนจนเกินไปทีนี้เรื่องพันธาคาริกเป็นผู้เก็บเรียกกีวร น, นิทะกะเป็นผู้แจกเรียกกีวรพาชะกะสิ่งของเหล่านี้ สิ่งไหนที่ควรแจกและไม่ควรแจกสิ่งไหนที่ควรเก็บไว้สิ่งไหนที่ควรแจกก็ต้องพวกพันธาคาริสเป็นผู้รับจัดครูพันเป็นของไม่ควรแจกพระหุพันเป็นของควรแจกจ่ายเป็นผู้แจกของให้เล็กน้อยให้แก่พระสูตทั้งหลายเรียกอปมัตกะวิสัชกะมันมีในพระเวินัยหมดแล้วไม่ใช่ไม่มีเหตุฉะนั้นการแจกกีวรให้กันพระบรมศาสต า, ศา สรงอนุญาตให้เป็นสองคนหรือสามคนเพื่อจําพวกเหล่านั้นจะได้แจกให้กันว่าอย่างนั้นต่างคนต่างเขาจะได้แจกให้กันว่ า, าแต่ทุกวันนี่มันไม่อ ด, ดแล้วจีวรเออจะเอาคนละสิบผืนก็ยังได้อยู่ทุกวันนี่นบางท่านก็กล่าวว่าจะหวงไม่ใช่คนเดียวทำไมว่าอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่ถูกไม่ใช่ว่าใครลาเสีย ข, ขาไปก็จะแบ่งให้หมดทั้งวัดเนี่ยผู้มาทีหลังจก จะจะเอาอะไรอยู่สู่กันสินนั่นเนี่ยควาเบียดเวียนสงฆ์พระบรมศาสนาสอนอะไรมาแล้วยผ้าที่พอขี่วัก็ทําขี่วัวซะไม่ไม่แต่ไม่เหตุมันหนาหรืออะไรเกินไปถ้าผ้าพอผ้าอังสะก็ให้ทํำผ้าอังสะกซะถ้าผ้าพอสบงก็ให้ทําสบงถ้าพอที่จะทําสังขารติก็ให้ทาสังขารติซะ อาไปตัดเป็นคนละเอดและอันเล็กๆน้อยๆเบียดเบียนสงเป็นอาบัตทุกกฎท่านพูดอย่างนั้นถ้าใครขาดเขินก็ตัดให้ซะผ้าผืนใหญ่จะไปฆ่าผ้าผืนใหญ่ลงมาเป็นผืนเล็กท่านพูดอย่างนั้นมีเรียกว่าเบียดเบียนสงเป็นอาบัตทุกกฎท่านว่าอย่างนั้นพอที่จะเป็นสบงก็ทํำสบงซะพอที่จะเป็นจีวรก็ทําจีวรซะพอที่จะเป็นช้งขาก็ทําสังขาซะเว้ยแต่แล้วบริบูรณ์ทุกท่านแล้วทีนี้ กอไปนี่ก็จับอธิษฐานพรรษาใช่ไหมหรือใครสงสัยอะไรก็พูดอีกซะก่อนเรื่องตอนไหนสอดเข้ามาดูๆูที่มันบุกล่องอยู่ยังไม่พูดคนคนเดียวก็นึกไม่ออกอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าตีระครังก็ให้เรียบออกมาด้วยไม่รู้ว่าด่วนหรือไม่ด่วนไม่เอาใจใส่มันก็ไม่ถูก ถ้ามีเหตุผลพอตีก็จังตีไม่มีเหตุผลก็ไม่ตีก็ไม่ตีทีนี่พวกอยู่ข้างล่างบางทีมีธุระจะฉันน้ำร้อนอยู่ข้างล่างหรือมีที่ฉันอันนั้นเขาเยกไว่เป็นผนเอกหนึง่งส่วนพวกอยู่ข้างบนก็ต้องพร้อมเพียงกันเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิ ก, กประชุมพร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียง<ม>ช่วยกั น, ช, กนช่วยกันทํากิตที่สูงจะต้องทํามันมีในพระเวไนยอยู่วัดแล้วพระบรมศราลา ตัดสอนอาันแล้วสหธรรมิกวักที่แปดมี1ิบสองศึกษาบทหนึ่งพิษชุประพฤติอนาจารพิษุอื่นตักเตือนพูดผัดเพียนว่ายังไม่ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าพเจ้าจะไม่ศึกษาในศึกษาบทนี้ต้องปาญิติธรรมดาพิกษุผู้ศึกษายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรไต่เทียมแลควรไต่ถามไล่ไลเรียงท่านผู้รู้ ไม่ใช่ว่าจะเอาผู้ไม่รู้นั้นว่าเป็นชบัติพิกษุยังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรไตรถามและเรียงท่านผู้รู้พิษุอื่นท่องพาเทโมกอยู่แกล้งไปพูดให้เธอคลายอุสาหท่องพยาตรีถามท่านพิสุต้องอาบัติเข้าแล้วแกล้งพูดว่าข้าพระเจ้าพึงรู้เรื่องนี้เองว่าข้าในมาเนี่ยพระปาเทโมกถ้าพิกษุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาแต่ก่อนแต่แกล้งพูดกันเขาว่าพึงสวดประกาศความข้อนั้น เมื่อสงสรกกาศแล้วแกล้งทำให้รู้อีกต้องไปจิตีพิษสุโกให้ปะหาเแก่ผู้สื่อื่นต้องไปจิตีหพิษสุโกทายมุเยกเมื่อมือุดทายประหารแก่ผู้สอื่นต้องปิตีหพิษสุจอดช่องผู้สื่อื่นเมื่อบบัตรสังคาที่เขตไม่มีมูลต้องไปจิตีเจ็พิษสุแก้งก่อความรำคาญให้เกิดแก่ผิ้สื่อื่นต้องไปจิตแปเมื่อพิษสุวาดกันอยู่พิษสุไปแอบฟังความเพื่อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรตนรูอพวกของตนต้องปจิติ9พิษุให้ฉันทะ คือความยอมให้ทําสังฆกรรมที่ตนทำแล้วภายหลังกับเตรียมสงฆ์ผู้ทำกรรมนั้นต้องปฏิติสิบเมื่อสองฆ์กำลังประชุมกันตัดสินอันหนึ่งภิกษุอยู่ในที่นั้นจะหลีกไปในไม่ได้ขออนุญาตในที่ยังไม่เสร็จเป็นอาบัติปายติภิกษุผู้อยู่ในที่นั้นจะหลีกไปในที่นั้นไม่ขออนุญาตต้องไปอาบัติปาจติสิบเอดภิกษุพ่อก็สงฆ์ให้เป็น กีวันเป็นบำเหน็จแก่รพระสรูปายรูปหนึ่งเนี่ยภายหลังกับตเตรียมพระสูร์ว่าให้เพราะเห็นแก่หน้ากันต้องฟาจิติที่สองพระสูร์น้าราบที่ทายกเขาจะถวายสูงมาเพื่อบุคคลต้องฟาจิติต่อไปน้นก็รัาธนะวัตรที่เก้าอันคิดคาวด้วนี่แหละมันถูกโดยบ่อยนธรรมดาพิะสูผู้ศึกษายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรใต่ถามไล่เลียงท่านพรรูปเนี่ยพ่อนี่ยแะมันมันมดจะรู้วงกันไม่มีใครถามใครไม่มีใครยอมใครเลย เมื่อสมกำลังมาชุมทันกับสินข้อความอันหนึงพิกษุน์อะไรอยู่ในที่ประชุมนั้นจะหลีกไปในข้อนั้นเด็กเกิดหลีกไปในชิ้นนั้นมาให้ช้ำท่าก่อนลุกไปเสียต้องปฏิบัตเมื่อพิกษุวิวาทกันอยู่พิกษุนไปแอบฟังความเพื่อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรตนละพวกของตนต้อปฏติอันนี้มันก็มีอยู่บ่อยๆได้ดูอยู่เสมอเสมอเนี่ยเหมือนได้ร้อยดอกไม้คนตาดอกไม้ต่างสี ก็เอามาร้อยให้มันเสมอกันคือพระเวเนยเพราะมีคนต่างชั้นวันณะต่างสีสัสนต่างความรู้กันในทางโลกแล้วก็เอามาร้อยกันให้มันถูกความประสงค์ให้มันงามให้มันงดมันงามเอาถือพระเวเนยเป็นเกณฑ์พระเวเนยกําจัดกิเลสอย่างยาบสมาธิอย่างกลางปัญญาอย่างละเอียดอย่างสุดท้าย แต่อายแท้ก็มีทั้งศสียนจะมาที่ปัญญากรมกลืนกันอยู่นั่นเองนิมัจิมิ่งอาวาเซมังเตมาสร้างวัดสั้งอุเปมินิมัจิมิ่งอาวาเซมังเตมาสร้างวัดสั้งอุเปมินิมัติมิ่งอาวาเซมังเตมาสร้างวัดสั้างอุปเวมินี่หมายความว่าข้าพระเจ้าจะจําพรรษาอยู่ในที่อาวาตนี้สิ้นเวาสามเดือนไปทางนั้นหรอก ไว้ห้นีูพุทธิสองใเ น, นี่ที่เคยร่วงมันมีอยู่หลายชิกขบุบทภิกษุรู้อยู่ว่ากุดีนี้มีผู้อยู่ก่อนแกล้งไปนอนเบียดเพื่อจะให้ผู้อยู่ก่อนคับแคบใจเข้าขอจะหลีกไปเองอันนี้ก็ให้ระวังภิกษุนั่งในที่แก้สองต่อสองต้องปลาจิตติอันนี้ก็ระวังให้ดี นั่งเฉยๆใครจะโจดหรือไม่โจดไม่เป็นปัญหาจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ไม่เป็นปัญหาเป็นประ ป, ร ะ, ประอามัติปายติเลยพกษุสําเร็จการนั่งแทรกแงในะกุลที่กําลังบริโภคอาหารอยู่ต้องปายติอันนี้ก็สําคัญ อ, นนญอเจนะกาวัคที่ห้าพุทธสุแกงกอความลาคาญให้เกิดแก่พิกษุอื่นต้องายติคือวางแผนให้คนอื่นลาคาญ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้ามีเจตนาพิกษุแกล้งก่อความลำคาญให้เกิดแก่พิกษุอื่นต้องปฏิเตอันนี้ก็ระวังให้ดีพิกษุผู้บันไม่ก็ต้องเอานวักว่าท้ายเพราะได้หนังสือแล้วสมัยทุกวันนี่มันสะดวกกว่าในยุค ก, ก่อนยุค ก, ก่อนมันไม่ได้หนังสือบอกกระหูกกรตาเอาแต่ทุกวันนี้ได้หนังสือแล้วมีสิทธิที่จะรู้เอาได้ ภิกษุกโกรธเคืองแก้งโจทย์ภิกษุอื่นด้วยอาบัติฟาราชิกภิกษุกโกรธเคืองแกล้งหาเรื่องโจทย์ภิกษุอื่นด้วยอาบัติฟาราชิกต้องสังฆาธิเศสนนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายนะภ<ม>ิกษุนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีบนเตียงก็ดีบนตังก็ดีที่มีท่าไม่ได้ตรึงให้แน่นซึ่งเขาวางของในกุฏิต้องปายาเตภิกษุกโกรธเคืองภิกษุอื่นชุดฆ่าไร่ออกจากกุณีสงต้องปายาเต พุทธสุเจ็บของที่เขาได้เขาเขาทำร่งร่นอยู่ในวัดถ้าเก็บเพื่อจะเอาเป็นส่วนตัวถ้าของเป็นราคาสูงห้ามาศกคือหนึ่งบาทเนี่ยเก็บเพื่อจะรักเอาส่วนตัวของใครก็ถามเป็นอาบัตรปาราจิตถ้าไม่เก็บเป็นอาบัติทุกกฎมีในรัตนวัครที่เก้า มีสิบสี่ข้าบทพิสูจนไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จยุคก็มาเหีสีต้องภาติสองพิสูเห็นเครื่องบริโภคของกขนาดตกอยู่ถือเอาเป็นของเก็บได้เองก็ดีใช่เพื่อเอาอื่นถือเอาก็าดีต้องภาญจตีไม่ไม่แต่ของตกอยู่ในวัดนี่ที่อาศัยต้องเก็บไว้ให้แกเจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกข์กดอันนี้เรียงย่อเกินประมาณท่านก็บอกว่าอันนก็วาดเรียงย่อเกินประมาณท่านก็บอกไว้แล้ว พระภิกษุ้วชใหมบวดได้เพียงสี่เดือนเป็นพื้นท่านก็บอกว่าเรียงยอเกินประมาณอยู่แล้วส่วนอะไรอั้ น, นว่าก็ว่าทําให้พอไปซื้อมาไปต้องการมาคําวัดซื้อก็เป็นอาบัติรือเหมือนกันถ้าไปซื้อกับเขาภิกษุแรกเปลี่ยนสิ่งของกับเครื่อรหัสต้องนเนติเกียรตปฏตรีแกเปลี่ยนสิ่ขงของกับเขาก็ให้ระวังภิกษุทําการซื้อขายด้วยรูปยะ คือของที่เขาใช้แทนทองในเงินต้องนเนตเกียร์ประยตีเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่บอกไม่ได้บอกตรงๆว่าให้ซื้อให้ต้องการอันนั้นด้วยต้องการอันนี้ด้วยภิกษุขุดเองก็ดีใช่ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปัจิตีขุดดินวันนี้ให้ได้ว่าดุเหมือนก็ปะปถือต้องการลุมเพนวาจังสันภิกษุรับเองก็ดีใช่ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งทองในเงินหรือยินดีว่าทองในเงิน<ม>ที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องเนดเกียรประยตี ท่านบอกว่าให้ปรีกออกให้ยินดีในปัจจัยสี่อย่าให้ยินดีในตัวเงินเงินเงินก็คือของของก็คือเงินมันก็ไม่ถูกให้ยินดีในปัจจัยสี่ในสิ่งที่ไม่นอกเหนือพระ ธ, ธรรมวินัยสีขาบัที่เกี่ยวอัตแก่อัตินาทานเป็นของสําคัญมากไม่ควรประมาทเรานึกจะรักของมาเป็นส่วนตัว ถราคาห้ามาตกกูไม่รักละทีนี่เรายกของมาแล้วมันขาดแล้วเอาคืนไปว่างไว้อีกก็ขาดแล้วข้อนี้สำคัญมากพิจูดทาแกล้งฆ่ามนุษย์แห้ตายตาย้ตยตองปาไปชิกมนุษย์ที่เกิดในวันนั้นก็ตามที่อยู่ในท้องก็ตามถ้าทำลายนอกคันในคัน ให้ตายถ้าไม่ตายเป็นอาบัตทุนน่งใจถ้าตายเป็นอาบัตทุกขเออถ้าตายก็เป็นอาบัตกาลชิอ ก, กอันนี้พูดย่อเด้เกินอันนี้รักเอาสิ่งของของเขาที่จะราคาห้ามาถกไม่ที่เกี่ยวกับภาษีก็เหมือนกันระวังให้ดีนิสุชวนพ่อข้าผู้จะซ่อนภาษีเดินทางด้วยกันแม้สริยะมันหนึ่งต้องปฏิบติหมายความมาเดินเฉยๆถ้าไปรักของเขา ม, มันก็ผิดอีกเนี่ย แม้ความว่าพิกษูรู้อยู่ชวนพ่อข้าผู้จะซ่อนพาษีเดินทางด้วยกันแม้สัญญามันหนึ่งต้องไปยตีบ้านหนึ่งก็ช่วยไก่ดินบินตกพิกษูชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สัญญามันหนึ่งต้องไปยตีสิ้นะระยะบ้านหนึ่งก็คือช่วกไก่บินตกเท่านั้นนะคือน้ำที่จะใช้เกาะใช้น้ำที่จะใช้บริโภคใครกองก่อน เพื่อป้องกันตัวสัตว์แจะดื่มน้ำไร้สะอาดต้องลุ้ต้องการหลุมที่นี่อย่าว่าต้องการขุดดินเอามาขุดดินให้ด้วยต้องการดินต้องการดินให้พูดอย่างนั้นถ้าบอกให้ขุดซึ่ ง, ง, งมันก็เป็นอบัติปฏิเตต้องการหลุมต้องการดินที่นี่มาขุดที่นี่ให้แน่วแต่มันกระเถือกพระภิกษุไปแอบฟังความภิกษุไม่ว่ากันอยู่ภิกษุไปแอบฟังความ เพื่อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกของตนต้องปฏิติอันนี้มันมักจะมีอยู่เราได้ดุร้ายข้างแล้วยังมีมากค่อยวินัยมีมากหลายลจะเกินพระวินัยเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาควรถึงของที่เป็นของสงได้จัดไว้แล้วมีพันธาคาริโกแล้วอพันธาคาริโกแปลว่าพันธาคาริกเป็นพวกเก็บของสงอย่าไปย้ายเธอไปที่อื่นไม่ไม่แต่เธอ ต้องการภิกษุไข่ก็จะอย่าไปย่าที่อื่นแ ม, ม้แต่เป็นโรคติดต่อให้ไปหาอยู่ปุตรีเร็วๆไม่เป็นปัญหาถ้าเป็นโรคติดต่อถ้าไม่ใช่โรคติดต่ออย่าไปย่าภิกษุผู้เป็นพันธาคาริกก็ไม่ควรย่าภิกษุผู้เป็นเจ้าอารวาดก็ไม่ควรย่าให้เธออยู่ตามสะดวกของเธอให้ท่านอยู่ตามสะดวกของท่าน เรื่องชั้นอาหารที่นี่ก็มีมากเหมือนกันเราจักรับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุกเราจักไม่กรบแกงหรือข้าวสุกด้วยข้าวสุกเพราะอยากจะได้มากผมก็หนักใจแต่ผู้เล็มบาทถ้าไม่มีผู้เล็มบาทผมมาให้เหลือสักสักนิดก็ดีก็ได้เรื่องน้าร้อนน้ำอุ่นก็พูดกันแล้วเดี๋ยวเดียว ไฟแท็กไฟแท็กไฟแท็กเหลืออยู่ห่อหนึ่งใครไม่มียกเงินขึ้นเอาให้เยอะเดียวผ้าผ้าชีบอนที่เป็นสียังเหลืออยู่กี่ผืนเอามาดูดูหรือหมดแล้วเอผ้าอ่าผ้าอ่าน้ำฝนเอามาดูดูเอามาดูดูใครไม่ผ้าไม่พอใช่ยกเงินขึ้นผ้า อ, อา่าน้ำฝนก็อ่าน้ำฝนให้ให้เยอเดียว พระอาบน้าฝนอธิษฐานพระอาบน้าฝนเพียงผืนเดียวเท่านั้นอย่าไปอธิษฐานทั้งสองผืนเพราะทรงให้มีชื่อผืนเดียวเท่านั้นมีมังวัติกาซาติกะังอธิษฐานนี้วันนี้มันถูกเอาผ้าขาวให้พระวัดอื่นสามสี่ผืนท่านมาเยี่ยมท่านมาเยี่ยมเราก็เลยเอาให้เพราะเห็นว่าผ้าขาวมันมีมากอยู่ ยังอยู่ว si 1่อ si ผืนยังอยู si ่วิ si ่เอผืนเดี๋ยวเนี่ยใครใครใครครไม่ไม่ใครใครแม่พอใจก็มาเอาใครใครครใครยังยังไม่พอใจยกมือดูดูดูดูดูในคนอะกีดผืนแล้วยังอยู่ที่ยี่เอผืนเนี่ยฮะเมจุรี่หมออ้าวจะเอาไว้เผามันบะไปไป พ่าพ่อมาเอามาเอาาเอเยอะเยอะเวลาอันเวลาผพาเปียกเวลาผพาเปียกมันมันลําบากเลยเวลาผพาเปียกพมอพ่อพัดพ่อทยายเห็นไหมเห็นไหมยักษหาถือเป็นคนกันเองยักษ์ถออยากอายเห็นไหมมันไม่าสามารถสะรู้ได้ได้มาถามอาของยุคกุฏิเถิดยกมือขึ้นกไนัไเลยทเอามือถ่ายหมือเอาไปถ่ายยกมือขึ้น เพ้ ว, ว่าพ่อยกมือขึอ้นว่ายกขึ้นต้งงสิ ส, ส, สยานี่ยงนัอของก็เอามาให้พระใส่พ่อแห้งกยกมือขึ้นรดนั่นสิอ๋อเน่ยอันท่านเสียมาท่ า, าใ น, ใ น, ในดได้าารไรกัพืนได้บางหรได้พื้นหนึ่งหรืส่สองหอ่สองห่อแต่แต่พื้นกเก้ามัานใส่บะเบ็ดมันลายพ อ, อดอูห่อไะใส่รถถือว่ได้รถจทกซี่รถคนะให้พรกันอธิษฐาน อธิษฐานพื้นเดียวพื้นอื่นไม่ต้องอธิษฐานที่นี่ที่นี่มุ่งน่ะมุ่งให้มอนผืนหนึ่งต้องให้มอนผืนหนึ่งเพราะมันเหลืออยู่เพราะเขาเป็นลูกสาวคนโยมก็ถูกต้องให้มอนผืนหนึ่งแล้วให้ลูกมันซะผืนหนึ่งอกีกอีเมลกัมาแล้ว ก็ให้ไอผู้สิ์สะกืนหนึ่ง ส, สมันเหลืออยู่แล้วเนี่ยนี่นี่ก็เยอะเยอะมันมุ่งอ่ะนั่นว่าพ่อถือนแต่นั่นว่มี่เข า, า, าจะเป็นชีคาไปเป็นชีคาข้ามาให้แลวพวกร่งคั่วเนี่นี่พวกร่องคั่ว เ, เขาชาพูดละเออบ่งเดี๋ยง่ายนะผู้ดียังพัฒานา พระเขาอะพระเขาเขาท่านได้ฮ้เนี่อมุ่งบนไส่เนี่ยมุ่งมุงมุ่งมุ่งบไส่เอามาเนีแล้วอันมุ่งอันชุบข้าซื่อมาเนี่ยยังไหลไปไดนสักหน่หะเนาะอันมุ่งข้าวซื่อมาตะกรุงเทพไหลไปไดนสักน่ะเออเอาไปให้พระซะมันตะชี้ของพระเข้าใจบ่แล้วมันเอาไปให้พระซะไปชี้ของพระ จะไปใส่เขียวเขียวเขาที่เขาคุณปฏิว่าเขาเยสู้เลยหรอฮะเขาบอกเว้ยเอาเงกี่ล้านโอ้เขียวชะโฮหนอนหนอโอ้โง่ปุ่งกระยาหนอไอ้เฮ็ดมงควร้าวอะไรบ่ก้อันท๊อกใส่คว่ำอก็ไหนบ่เนี้ย แคน้นโย้องกเกษรักมากมา่อย่างไรอันจะสัน่นลมเฮ็ดลมโคตรท้องกระไรอย่ตัว เ, เออเออที่เจ๊คัถามเขาว่าก้อนขอเขามี ก, บกับหอยอะไรอะเอออันนี้อันนี้เอาไปไว้หองน้อยเขาหน้าหนนะ่อยหน่านี่นรับมาบอกนะี่ร่อมันพัดร่ ม, มันเขา่าเอาไปบนอื่นมันออบมันจะขาดเหมือนน่ะร่อมมีจังเมดนะ่ะ ให้ผู้ดีซะอันหมอนั่นเนี่ยหมอสมบูรณ์เนี่ย น, น, นี่ร่นนมมันทองฉันเนาะอันกูนน้อยห่อ น, นี่ะลมมัทองมันห่อนอุดเอาแล้วมันขาดวัฒนาห <c oughs> มืน่นขาดปรอยู่มืน่นขาดปรอยู่เออขบุดผสมผ่าไหมข้า น, นี่ผูใ้ใดสงสัยอันไดนเห็นมาว่าห อ, อกกันเมนื่อไีร่ อย่เงนีนตัวคัดของเนี่ยนะปัญหาไหนก็ ม, มือมืทุ่มมืออย่าย้ายยาทะเลาะกันไม่มีเมียไม่มีงานจะไปซุ้มกันมืดมืดมันจะเรื่องนักเลงหายชี้ว่ามกระดุกขโมอนอกข้ออื่นสร้างคนกระดุกขบังเสียแล้วจะเศร้าชี้ค้นหาค้นไปซุมกันมื ด, ม, ดมืดด้วยมันมาถือกันันย่างเงี้ยมาแต่โดนในเรื่องเนี้ยถ้าไปกลายไปก้อนไปหนึ่งไปถึงไปหนึ่งเขาถวยคน เงี่มากเลยโดนแล้วเมกี้ปัญหาว่าเถวเนี่ยไปว่าได้ที่มันค่าห้โปูดบาเนี้ยไปได้บาตรเนี่เนาะมันดีนะไปได้เลยได้บาตเนี่ยเมื่กี้ฆ่าห้โปูดไปว่ได้เกี่ยบทําไ้ตายเุกคนไปมันเกี่ยบแยกหัวออกแล้วคือว่าพ่แม่ทาเนี่เขาบอกว่าพ่อแมนตัวเดียวจะมั่งไงบื่นเขา้างืนเขาปลาบ่ไม่ทางตาตายหรือว่าคุณจบอก ย้นไปก็ย้อนไปยาวของอะไรบ้างนี่มันย้อนขึ้นมาหนิมันมันเป็นธาที่พจน์พม่าตัวนี้มันไปมันไกลนั่นแะก่าวั่าโตผิดสิเรียนนี่ยังสั่นนี่คือเครียดแต่พจนนี่ยังกยุ่งอันเป็ยังฮ้ยยบดังขน้อยนี่แหละสมว่าสันสิเร้ยนียังกล่าว่าโตผิดนั่นนั่นมันกล่าว่าโตผิดตัวมันจะไปนัือกล่าวว่าโตผิดสิเร้ยนนี่ยังสั่นสิมาม่ยังสัรีสลี่ยังนนั่น แต่ว่าตัวหิดตัวมันจะเปลีนสัจเนี่ยเทามีนักสอนท่สดข้ตว่าตัวเธอเราห่วยทีไปเนี้ยคนน้อยมันสิร่บเลยเท่าแล้วเกิสมมุติาสั่เนี่ยสมมมากับปาเ่ากจะมีนักหิสตัวมันจะเปลยนั่ยากจะไปหลวงปู่มันสิร่มสมมเห็น่าสั่นั่นะเทาเจ้าอาบขนาดนี้แค่ว่าตัวบิสเรียคาราคปายังไม่พ่ดตดังก็ว่ามุนะบอกอันเต่ามานน่ะ เตาไ ฟ, าฟ <hi> เราว่างให้มันดีแล้วมอดมันเด้เนียเผาผีต่างเอาท่านเอาอุ่นเนําอ้นั่นเนี่ยนึ่งร้งปูโกนกอกๆเราเพร่รักกินอันม่มาลักกินอ่มันเนี่มันขึ้นมัวันวาไม่ตสย่างว่าจะใส่แต่นะว่าชีเหรอว่าเร่องทอรงใส่ก็เราก็เรกว่าสั่งหรือว่ให้มันบอกได้อ mm <mer> <m idd ắm> <ion> ี่นี่ว่าสั่แม้ก็ะทเพชกับเขาไปไปเพิ่งละขอดละแค่นเนียงกับขึ้นมากครับ เขาองนำอ้อยนำซาหาสิ่งเขาเมื่อันเดียวกันนั่นแหละยับแยบได้หนิเห็บเจ้าอัานนีแค่นี้ครั บ, บหว ร, ห ว, หรบว่ า, า, า ห, าาาาหาุาจักตัวรอกการหนจักตัวมันสะอยากอายเขากระเล็บสาวอยากเป็นไผแนลเขก็เลยบสามนักไผ่ย่าหรอกเขาหุ่นจักตัวรอกยิ่กระดิจิวันพรเวทนาที่ท้อบรรพเมรุตัวมาม่ชี่ยบยับก้อนหรืว ายเลกวายท่องไม่ได้วายขีดขีปูนออกวายกุ้นพันปุ่นไอ้ว่าของสันว่านั่นพว้นค้นพันว่าวายอิดวายปูนแบบว่ามัน่าเขาวตัวกันหัวดปิงงป้งแบปิ้งแงบเขาสักผ้าจะไ้ผ่ากันเอาเห็นแล้วว่าวายกุ้นวายพระคุ้นมันพระเดชพระกุ้นมันว่าสันติสักลูกไปกินสมบัติยังจัดพวกน้นคนปหาเขาว่ายวายพระพุทธโลกโหพระเกดีอิปูนใน้ื่อท่านากเดนหลายหลยลงมอระหกศั 3. มันเกิดคู่มันเกิดคู่ว่าเหรอมันรู้โพดมันรู้เกิดคู่แลยวผมมีคู่สอนได้ล่งมรหกนะวนเหรอเข้าใจบอถ้ารังองค์ไปปัสตานเห็นพระพุทธรูปเอามาเป็นอารมณ์ภาวนาพุทโธสามเณรพระรหันต์ก็บมีพระรูปพโะทูลุพระข่อแต่โบุลาศจำปู่มือเนี่ยนั่งตัวไปลมีอ่อนออนอยู่หลับว่ย่อมเออ ตัวเฮียนก่อชะลาอาการขอชะลาขาอยู่ผลประมาณประมาณผู้พันเฮียนพระรียนย่ามันท่อนเป็นเอาลตัวมีกิเลสเต็มพุ้งประมาณทุกพุทธเจ้าผู้พันพผนแล้วท่อนเป็นเอาลแมนบอกทุกพุทธเจ้ามากกร่อยโกรแต่กลับจะกลับกันยังมากกว่าอสงไขยอสงไขกับพระพุทธเจ้าแห่งหลายก่อนกลับหนึงก็มีหาพระองค์ว่าโอพระองค์ว่าเหตุไรสัตวพระพุทธเจ้าจึงลงมากเกิดในโลกยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเปยุคบกขาดยุคถึ้งสิเป็นชุนยะกลับค้าสอนกันยังไม่ยู่ อริยสัจสี่ยังบริบูรณอยู่นเราได้ ค, ด น, คนถึงว่าพุทธธรรมประสงค์มาเป็นมูลกลับได้คนเร็นเล็กเรีนผ้ามาเป็นมู ล, ล้านห น, น, น, นึ่งเวราะถึกทีอวนใจได้เอะเนี่ยไม่นว่าสั่นะสังคมไหนมีนักกวา่าตัวเพียงคนเดียวท่านอันนั้นก็เป็นสังคมที่จะเลิศสังคมไหนมีแต่คนฉีนเราอนันสังคมเสื่อมหัจใจบ่นีพระพุทธเจ้าสอนในวอ่ะเขียงเขียงเขียงเขียงเลยนะฮพระพุทธเจ้าก็มีองค์เดียว่นยั่ง ไ uhm, ม่พระโคตธรมะนี่ยต่ว่าคาสอนองเปนโกงกันหมดเลทุกทุกพรอง์เลยเาเียมใช้พระโคตมะกับทศกัว่าเรียมสพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เพราะเป็นคสอนอันเดียวกันเทวะยังไรสเข้าให้ท่านักสาสินพระมนาในพระโคตมะกับทกัว่าให้ท่านักษสาสินพระนาในพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เพราะเป็นคสอนอันเดียวกันเทวายังไรสนั่นมาได้รัลรางเพรเราบอกกันนี่อันมู่เฮ้าใอย่างอันตั้งต้นไม้เป็นาอธิปไตยึงผ แต่แก่ห้าเป็นผู้บาอย่าหนยงางพันได้ท่านปนนี่กูดึงไปมึงดึงมาอยู่เออให้กูนี่อำนาจจักรอยได้นะให้กูกำนำดาจักกวางได้มึงกำเรอให้นบ้างแลวหรือว่าองศ์นอนเป็นเอาผูที่เจ้าบได้ว่าดิผพุที่เจ้าโกงกันเพลงเลยเพราะกูกูสันโทงโงก็ค่าเพระกัโตก็บบไต้ว่าพราะโคตโมกับบัตรว่าผู้นี้โง่ก็ค่าผู้นี้โง่ก็ค่า เมื่อรู้เท่าผู้ขา่าไม่ได้วา่บาบม่ได้คาดขันกันเนลยร้องเอ่ยกันมัดพระพุทธเจ้าที่ร้องไปแล้วอันนี้กัสะตะโกตะโย อ, อันนี้กัสสะตะโกตะโยตะโกตะโยจะตอประตัดเลยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกรดนะปเป็นคําไทยมาสัางสวนอันเดียวกันมัดทําเป็นโรค ก, กรบาลคุ้มคล้องโรกสองยางคุลลามตาบาวคุ้มกลัตวตาบับเท่านั้นลูกหลานเด้อจะคุ้มครองกันได้ เ่อไร้า้อบาบบ่ขว้าต้บาบลูกหลานที่แต่งก้อนไม้ขึ้นเท่าไรมันกับเบายูดอกลูกเอ้ล้านเหน่ยตัวพระพุทธเจ้าขวงหมายยุ่งซะแล้วขวงคว่ำจะเลื่อนขวงคว่ควัวได้ว่าเป็นขวงควจะเลื่อนเนื้อเห็นันพระพุทธเจ้าจึงสนะเอาชนะเอาชนะเอาละเ่ได้ขวงคว่ำดีของคนของคว่ขวงคว่มันจะไปทังซัวมันตันไว้ว่าให้ไปตกเหว่าถึงไปได้เงี้ยนักปีนคว่ำไต่คว่ำหัวพระพุทธเจ้าตกเหวไปก็มี่กัปอยอันนั้นฝากไปกับผู้อื่นองค์อื่นไปอีกันนัน เรไม่มีน้อยแก้อย่องยู่บนหัวส่วนผงธุรีหมดที่ไหว่วางเม่เหนั้องซื้อกาลเกศชินใส่น้อยแก้อย่องอยู่บนหัวไหมยังขุนพระคุธพระธรรมประสงค์น่ะย่องอยูบยอย่บนหัวใจส่วนผงธุรีหมดที่ไหว่วางเมียห็นผู้ใดถึงว่าพุทธธรรมพระสงค์ตลอดชีวิตผู้นั้นละโลกนี้แล้วไปบันเทิงในสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เอก ผู้ใดไม่ถึงว่าพุพทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างสนิทสนมก็มีคติเป็นสองไม่สัตย์ที่ได้ฌานก็เปรดอสุรกายสัตว์นรกพระเจ้าพูดถึงว่าพุพทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกในทางใจเอาเป็นที่กราบที่ไหว้เอาเป็นที่เคารพนับถือผู้มีปัญญาย่อมนับถือสิ่งที่ควรนับถือย่อมไม่นับถือสิ่งที่ควรไม่นับถือ ผู้ไม่มีปัญญาย่อมนักถือสิ่งที่ควรไม่นักถือตรงกันข้ามเพื่อใดเคารพรักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นสิ้นชีวิตแล้วไม่มนุษย์ก็สวรรค์พระพุทธเจ้าถ้าตรงกันข้ามแล้วไม่สัตย์เจราญก็เปลี่ยนสุดรกายนะสัตว์น ร, รกมีคติอย่างนั่ น, น, นหนเองพระพุทธเจ้าเอาอันไหนพระพุทธเจ้าท่ายไว้มันมันพิษไม่ช่างแหนว เพื่อได้เรียนเลกมีถน่าค้าเนียก็ใสเห็นในนอนมอสันในนอดมอสันถ้าหนาข้าเนีเห็นแต่มันคราดอยู่เนี่ยตัวรอดยิ่งใช่นั่นคำลาพระพุทธเจ้าว่ามันหนเอกเอ้าอันผู้โรกทั้งกา마โลกมันจะเลิศจะค้นมอสันเอ้าเป็นโรกเอจกระโดดตายยู่นเนี่ยเอ้านั่นนั่นั่นั่นดี๋่ววัดีคากานตายเอกนั่นเา้ยจะไปหนเอกวันพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่ายไว้เมื่อรโหนอีกโตพระพุทธเจ้าถ่ายไว้มนุษย์่มัตจัวัมอัตท่วมชัมอตเน่าผ่า่มอัตอัตเอาระเจ้าไปเหนือก็พระพุทธเจ้าผไม่หรอกพระพุทธเจ้าประสบการณ์มามื่อไรเนี่ยว่ามัจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบงงๆชี้หานาทงนาทันเตเต่ยงประกาศที้หานาดในพุทธบริษัทไม่รั้งข้ามเลยชีหานาทางนาทันเตเตบริษัทช่วยสาธาแก่พุทธบริษัททั้งหลายพรามจากกลังประวัติเต ให้พรมอาจารย์เป็นไปโลกเกอเอปฏิวัติอย่างให้โรกเป็นไปอุเบกตาพุทธธรรมีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเดยีเกิดขึ้นแล้วคําสอนเ น, นี่ยตจโลกธาตุเนี่ยท่าทางทีท่ไปตีเสมอเหมือนคําสอนพระพุทธเจ้าบักญัตายอือัพระพุทธเจ้าสอนโลกเพราแหงทุกยุคทุกสมัยแล้วไม่ได้มาตั้งสสอนอาตมาแต่เน่นเออทำของคาราวะาสี่หนึ่งซับซื่อแก่หนึ่งสัจจะซับซื่อแก่กันสองธรรมะรู้จักข่มจิตของตน สามจาข้าสลรสิ่งที่เป็นข้าศึกเอแก่ความยิ่งใจญ่จะจัดทรัพย์สินกันธรรมะด้ว จ, จักรกลจของตนคันตีอตนจ่าค้าสาราสิ่งที่ของท้องตนเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นทำของพราวาสสิสินห้าประการนี่เขาหัดควรรักษาเป็นนิดชาวโลมศาตสตราชาวโลกมีสินหาบางรูปสันเอยทหารตำรวจตั้งไว้จินที่แตกทียงกันชาวโลกมีสินหาเหมือไหร่หนักเพื่อได้ปฏิบัติสินหาคนจีบคนหายคนไล่คนวอดเราส่งพระพุทธเจ้าว่า หากินพ่พ่อปากคาไม่พ่พ่อเงือนนะสนพระพุทธเจ้านะรับล่องไว้บอกโมเดวาเนี่ยีแต่มันไม่มีสินหาแต่มันหากินพ่อพ่อปากคาไม่บ่อพอเงือนนี่นะอ่ามองฉันว่าพอเนขาตะเพิดพอเนื้ลัตะเพิดคอกตะเพิดมันจะลูกไผ่เมื่ไผมันจะรับหูรับตาแก้ข้อปโยดน์อนเป็นเอานั่นดิ่งลงทั้งผิดมันก็ถอนบาออกดิ่งลงทั้งถือมันกรถอนออกนอกจากจะคของเห็นเองคะพระพุทธเจ้าจังมองไผ่จะครองเห็นเองเรื่มใเอง เป็นแต่เพียงแนะนำมาชื่อคนว่าขอให้พระองค์เพื่อความสงสัยของข้าพเจ้าด้วยเออข้าพเจ้าเพื่อความสงสัยของให้ท่านผู้ใดไม่ได้เมื่อท่านผู้ใดเห็นเองก็จะเส้นความสงสัยเองเป็นแต่เพียงหาอุบายให้พิจารณาข้าพเจ้าเพื่อให้ไม่ได้ถ้าข้าพเจ้าเพื่อให้ได้ข้าพเจ้าก็ต้องบ่นมนเสียแล้วก็ไปเสกให้เพื่อความสงสัยได้หมดก็เป็นพระทหารหมดพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงสอนให้เห็น เองให้มีทิศทีเห็นเองให้เป็นชั้นทิศทีโกเห็นเองถ้าจ้างให้มาเรียมใช้บางรูปพระพุทธศาสตร์าไนี่มันมดเงินมันกัดขบดขึ้นไปเอาเงินใส้มาจ้างไม่เนะบ่บ่นไม่นายผ่านเบ็ดเขาจ้างให้เรียมใส้ลูกเงียเขาก็ไปกินมันกัดทิศปากเขาก็ไปฟักหมวันนอ้เขาจ้างให้เรียมใส้เบ็ดเขาแม่เนะบ่นายผ่านเบ็ดเน่ยเขาลูกเงียไปเสียบไปจันนุนเขาก็จ้างให้เลียมใช้เขาไปอาศัยบนเดียน มันนั่นรันทับนั่นแหละขังออกว่าเลยก็ล่าก้อออกว่าสักกันไปทุบกินไอ้ของท่านก็ทรัตย์ทั้งหลายมันจะไปพญิพานมัดบารมีมันยังอ่อนอยู่มันไปบ่ทำไรในไต่รลกฐานสัตย์ช่างหลายจะมาเหลื่ยมสพระพุทธศาสนาหมดแต่บารมีไม่นังอ่อนอยู่ไปบ่ทำไรรัทชีได้ก็ตามต้องมาเหลื่ยมสพระพุทธศาสนาหมดบารมีแก่กรรมมาแล้วสี่คึ่งงึ่งยังไว้กับท่านโมคนาสาเรวตก็มาจาก ชนใช่พรนธิพาศกน่นเดียบใส่อัตชิหนักปารถนาเป็นชาวบังาซบังกัวมาแต่ข้างพระเจ้าอโนมาทักที อนมัตชนุตตโมโมโรปัโตาโทรัสารีปตมุตตโรสตาสโสุเมโธกติโรสชาโโรกโกวิยะสนโอาตกลินโธรมัตตโมโโตโตโมโกติโาวะตังโปุโตชาวะโธโโตวิปัสสีจานุโกโมสิกสโตตเวายโกกกสันโธจัถวาหโนากมโะนกะโกสสัมปันโนโคตโมสักยักปุงขบพ แปดชิ้นเก่าพระองค์คนป่านนั้นก็นยังไปเรีอมไส้ศาสนาอืนอ่นน้วยเนี่ยศาสนาเป็นสาวกบางทรายบางามมาข้ามาตะข่างพระเจ้าอโนมาทศีก่อนสารีบุญหมวกคาราสิบแปดชิเก่า 18, 19, พระองค์คนมาหอดโคตรตโมนี่ต้องคอได้เป็ี่นนัรับที่ใดๆก็ลอกมันเงินเถอะเมื่อกต่อวมาเื่อมไสพระพุทธศาสนาหมดเป็น่ยนยังยังมีฟู้มาเืีอมไส้พระพุทธศาสนาหน่อยเทวะสัง เพียงเขาโคเพียงเขาโค่ก็หลายแสนโกดก็หลายโกดด้วยอันส่วนเขาเขาเขาโคส่ว น, น, น ข, ของโคเนี่กับฝากพระพุทธเจ้าองค์ต้อนนาไปอีกนั่นเป็นอยังเงมันไม่แมงมันหลายเตะก็ยังพูดยังฝืนซะมันไม่น้อยแตะว่าเป็นกะอันเดียวกันนั่นแหละเพราะควบควบดีความชัวปรวอยุกต์ก็หน่อยกับหลายยกก็พอใจแต่ละคลนในแวงในนั่นแล้วพระพุทธเจ้าเป็นหน้ายกเลยดิเพราะไมหน้ายักนายกโกเป็นผู้นำสัตว์ทั้งหลายออก เอาแล้วนอมาในนอได้เลยพระพุทธศาสนาจงเป็นทุกๆุกวนหนาทศตั้งใสโลกระถาดโยชุงาว่ามีประมาณก็ ข, ขาเธอเนาะมึงมาหาจินต่นําแทะแล้วก็ขีของเงีวฮะบอกว่าหัวพทธอีกินยัวแต่เมว่านมื่วันกูบ่าเบินสูงคือมึงนี่ไงแทะมึงมาเบินสูงเมื่ ว, วานมันกำลังกันที่กันอะไม่วันกับ กับแมงพูแเพิงมันกว่ามันถือยุ้มันกว่าประสาทที่พไตรมันจะวางไหนเอมันกล่าโลกเขานิยมมันกล่าวสั่นแมงว่านแมงพูแมเพิงกว่าโลกเขานิยมว่านเอะแมงเมาอ่ะพายุระดับใดกว่าถือระดับนันหรือว่ายังไดสั่งก็มันจริงมันกะสู่คาสอนพระพุทธเจ้าว่ได้จักอ่นแล้ยพระพุทธเจ้าหูจักมังนุ์สมบัติหูจักสวัสมบัติหูจักพุสมบัติพราแห่ มั้จักนี่ยฟานส้มบัตรทอแห้งยังส่องพระหน้าว่าโลกวิทูกเปนผู้รูเกลของโลก่ะเลือดร้อนีเทศเท่นั้นอ่ะอะรหันตวงนั่นอ่ะบอะรหันตาอรหันตวงเคลื่อนฟันนี่บริษช่างขีเพิ่นเชียร์่างเธอเนี่ยฟันไว้ไดนแม่สั่งว่าควายจาแรงตื่นเหมือนเส้าขีแหงกับโมีมันก็อันเดียวกันนะเนี่ยทำวมาสันสูงยังไม่อีก เห็นอันนี้จังคณะคิดหนึงเห็นโลกรอบนึง่งนะโลกเต็มด้วยอันนี้จังเห็นทุกคณะคิดหนึ่งคือเห็นโลกรอบหนึ่งพรโลกจะ็มไปด้วยความทุกข์ชาติพิทุขาท่านพระพุทธเจ้า่าผู้ได้ฟังกรถือผู้ได้บาฟังกระถือบัดชาติวิทุขาชาติเป็นทุกข์เ้อว่านพระพุทธเจ้าบอกความเดียวผู้ไร้เบาฟั่งก็ถือผู้ฟังกระถือคนตาบอดอาจได้เห็นคนหูหนวกอาจได้ยินคนลังโกง ก็หลังตรงคนค้อมก็หลังตรงคนตาบอดก็อาจได้เห็นคน ห, หูหนวกก็อาจได้ยินคนตาบอด ห, หูหนวกคนอยู่ในพวกมรดกปีมหาวิจินะโลกปีนเข้ามาทราบเป็นทุกข์ว่าก็ะถือมัดเนี่ยเรียกว่ายื่นปืนบาดเดียวได้นกทั่วทั้งไตโลกระถาดอร่อยชาติพิทักษ์ขาบาดเดียวทนะ่าถูกมัดไตโลกระถาดชาราพิทักษ์าเนี่ยกับถือเอ๋ วันนี้คนไหวเป็นซาดบรือเป็นทุกข์ได้อาเป็นทุกข์จะเกิดเมื่อจะหายใชหยังสั่นนั่นหมวนออกดาบไม่มากนะใครตะแกียร์ตะเกียร์ตเกยร์เนี่ยว่ามันทุกข์บ่เามาแล้่กัเสียใส่เสียกวาักไมก่อนเท่าเนี่ยลูกกรอ้อยนั่งก็อ้อยเนี่นั่นคนตายเป็นทุกข์ด้วหน้าคนไว่าทุกข์หน้าว่าทุกข์ปฏิตายสักยังสั่นเรียบรื่นพี่ตายยังสั่นนั่น อสอสเขาใจเทวทุกโ ท, โทโนัดอุปายาสาว ท, ทุกขาความโศกเป็นทุกข์ไะวั น, นหน้าคนน้อยวศก็เพี้ยไปเฉียงนี่ความปรารถนาไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์วันหน้าคนน้อยวศเป็นทุกข์แค่เพี่ยไปเฉียงไหน่อยปนประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาอยู่สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์น้อยยอดก็หนังหุ่มอยู่ในรอบนี้เองเป็นทุกข์ คือขั้นห้าน่ะนั่นพระพุทธเจ้าบอกทางนีได้บ่เลยบอกทางให้เบื่อให้นายได้บา่เลยเอ้าผู้ใดหาความสุกในโลกบ่เจอบ่เจอบ่พบบ่เห็นกับพระทหารหาบ่เห็นมือเฮาจะมาแข่งดีกับพระทหารจะไปหาควอมชุกในโลกมันมันถีพอบอมีแต่ทุ่เทขวอมเบื่อไน ท่านหน่อยขอให้กายท่านร้ายขอให้เวรแย่ไดมเกิดแก่เก็บตายในวาร้าต้อ์สานอีกัวมันยังเงนเอออว่ากูเพพูนึงพ่อีกสีพูนึยูนมันได้บ่เนเห็นทุกขณะคิดหนึ่งในปัจจุบันเห็นทุกในปัจจุบันทุกอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเพราะเอาปัจจุบันเป็นพยานพร้อมเขาลงเข้าเข้าออก เห็นนอนิจจังขณะเจ็ดหนึ่งก็เห็นทั้งอดีตอนาคตด้วยเพราะเอาปัจจุบันเป็นพยายามคำพูดแต่ละบทละบาทก็ล่วงไปล่วงไปคืออนิจจังอันละเอียดความนึกแต่ละบทละบาทก็ล่วงไปล่วงไปเรียกว่าอนิจจังอันละเอียดล่วงไปล่วงไปล่วงไปทําทําเพื่อจิตให้รุษใหพุนเพื่อให้คไายเมาในวตารทงสามนด้เนี่ยอืศีลร่วมศีลร่วมสมาธิร่วมปัญญามาอยู่สั้นนี่อีกบาดเนี่ย เบื้องต้นน่ะร่วมชินสมรู้สมรปัญญายูสั่นกอทศอากาขอทะอาขาทศกันมาเนี่ยร่วงเคลื่อนเคลื่อนขึ้นมาอีกระบาเนี่ยคือหน้าในการเดินกับกับเพราะว่าใดเท่านั้นเท่านี้เองครับถ้มีแท้มันก็ล่วงไปซึ่งนานนี่หนักหนักหนักหนักหนักหนักวันนี่ถตาอยู่ตายก็มึงร้าหรือมึงอันบอกนัน ใก้สิตใจก็ต้งขึ้นว่าแม่นบอกนั่นพื่อนที่ชอาสอนให้สรวกดใจได้พระหาหาเพิ่มทุก น, นโลกไม่ไ ม, ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยเห็ุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซัก น, นีน